วิบากมีสองระดับระดับหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นอีกระดับหนึ่งยังแก้ไขได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้วิบากแปลว่าผลอันเกิดจากกรรมกรรมคือคิดคือพูดคือทำก่อกรรมได้ประจำก็เกิดเป็นนิสยัยติดตัวอย่างนั้นนิสัยอย่างไร ก็ต้องรับผลของนิสัยอย่างนั้นวิบากจริงๆจะบีบให้เราจำนวนในลักษณะที่เราไม่มีทางเลือกมีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่น้อยรูปกายเป็นอย่างไรก็ได้มาจากผลกรรมเก่ากรรมเก่าพาคุณไปเกิดในเวลาที่ควรเกิดไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่และความเป็นชีวิตนี้เกิดกับพ่อแม่คู่นี้อยู่ในประเทศนี้ เจอผู้คนรอบตัวแบบนี้ก็ตรง ก, กันกับที่คุณเคยทำอะไรไว้ให้เกิดขึ้นกับชีวิตอื่นในอดีตใจก็เป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติอย่างเช่นใจที่มีสำนึกบามนุษย์ย่อมเคยทำบุญมาจนรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลส่วนใหญ่วิบากที่มาเล่นงาน มักจะมาในแบบที่ทำให้เราต้องหาทางเลือกอื่นหาตัวเลือกอื่นไม่ใช่ว่าบีบให้เราจำนวนการมีชีวิตมนุษย์ถือเป็นโอกาสยิ่งใหญ่เนื่องจากระหว่างมีชีวิตอาจเลือกทำดีได้แตกต่างไปจากพบก่อนไม่มีวิบากไหนที่จะแสดงความตั้งมั่นอยู่เป็นอมตะสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือกรรมดีคือความสว่างกรรมชั่วคือความมืด หมายความว่าแม้จะอยู่ในช่วงมืดของชีวิตเราก็อาจทำกรรมดีสู้เช่นเดียวกับจุดเทียนหรือตั้งโคมไฟใหญ่ขึ้นทำลายความมืดได้และด้วยศักยภาพความเป็นมนุษย์เมื่อเราทำกรรมดีเป็นอาจินปฏิเสธเหยื่อล่อให้ก่อบาปทุกชนิดก็ถือว่าได้สร้างพื้นชะตาใหม่สร้างสีของจิตให้ตัวเองใหม่ าหารเลขหนึ่งด้วยเลขสามขอให้ลองเอาเครื่องคิดเลขมากดดูจะเห็นเลขทศนิยมไม่รู้จบคือ 0.33333 ุดสาสาไปเท่าไหร่ก็ลงท้ายด้วยสามเสมอหาที่สิ้นสุดไม่เจอเปรียบเหมือนกับถ้าเอาทุกทั้งใจมาหาด้วยราคาโทสะโมหะก็จะได้เศษทุกข์ให้ต้องหารกันต่อไปเรื่อยๆ แต่พอเปลี่ยนมาหาด้วยศีลสมาธิและปัญญาก็จะเกิดกระแสสุขไม่รู้จบเช่นเดียวกันกรรมบางอย่างทำบุญระดับทานรักษาศีลหนีโจทย์ได้ในไม่กี่เดือนกี่ปีแต่กรรมหลายอย่างทำบุญระดับภาวนาเจริญสติหนีทุกข์ทางใจได้เดี๋ยวนี้เลยวิบากเก่าเล่นงานคุณได้แค่กายสนใจ จะไม่ถูกกระทบกระเทือนมากนักถ้าเก่งหน่อยอาจถึงขั้นเงียบนิ่งสงบสุขอยู่ในท้ำกลางความว้าวุ่นรอบตัวได้